ขอโนอบน้อมพระรตนตรายัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ต <c oughs> ั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกราบกระวะอาจารย์วัฒนาชัยพันเตเพื่อนสาธรรมมิกและขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน ประดีอากาศเปลี่ยนนะเสียงอาจจะไม่ค่อยแจ่มชัดเท่าไหร่นะก็ อ, อย่าถือเป็นสาระนะในส่วนของน้ำเสียงแนวะสิ่งที่เป็นสาระประโยชนนะ์ที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านนะหลังจากที่เราได้ทำวัดสดมนตนะก็เป็นการสร้างความอบอุ่นนะให้กับจิตใจ นะด้วยการน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะซึ่งเป็นที่ระลึกนะชาวพุทธเราถือว่าพรัตตนาใจเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความอบอุ่นนะในจิตใจของเราในช่วงที่อากาศหนาวเย็นนะก็เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะเราก็มีการ าทางป้องกันนะวด้วการมีเครื่องลุ่งห่มนะมีผ้าห่มหมคุมกายให้เกิดความอบอุ่นนะก็เคยได้ยินเสียงเพลงนะเพลงลูกทุ่งนะเขาก็บอกไว้ว่าหนาวลมให้ห่มผ้านะหนาวฟ้าให้ผิงไฟนะแล้วก็หนาวผู้หญิงนี่ต้องอิงผู้ใหญ่นะเาว่าอย่างนั้นนะและทีนี้หนาวใจอะ จะ อ, อะไรห่มคลุมอ่นี่มันก็น่าคิดเหมือนกันอากาศหนาวเย็นเนี่ยนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาตนะิที่เปลี่ยนแปลงนะที่เราจะต้องสัมผัสนะทุกปนะีเราอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราจะสัมผัสกับความหนาวเย็นได้ชัดเจนแล้วก็ยาวนานนะกว่าอยู่ในเมือง นะอยู่ในเมืองนี่อาจจะยังไม่หนาวเท่านี้นะวันนี้เท่าที่ดูเทอร์โมมิเตอร์ก็ประมาณ21องศานะประมาณ20องศานะเมื่อวานประมาณ19หรือ18นะนี่ก็ถือว่าหนาวเย็นสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะแล้วก็คนที่อาจจะไม่คุ้นนะกับอากาศที่หนาวเย็นเมื่ออากาศหนาวเย็นเนี่ยเราก็มีผ้าที่ หม่มคลนะุมมีผ้าห่มที่จะคลุมให้ความอบอุ่นนะกับร่างกายนะไม่ให้เจ็บใข้ได้ป่วยขึ้นมานะมีเสื้อกันหนาวนะก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นขึ้นนะนี่ก็เป็นส่วนประกอบนะเป็นส่วนที่จะปกป้องนะคุ้มครองในส่วนของร่างกายทีนี้ความหนาวใจนะจะมีอะไรที่จะมาปกคลุม หนาวใจนี่มันเป็นยังไงบางทีเนี่นยน้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยน้าเรารู้สึกเหงาว้าเวเรารู้สึกเดียวดายโดดเดียวเดียวดายน้าหรือรู้สึกหงอยเหงาน้าโดยเฉพาะถ้าเป็นอากาศที่มันหนาวเย็นหรือท้องฟ้ามันสลืมสลือหดขู่น้โดยเฉพาะตอนเย็นเย็นถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะสัมผัสความรู้สึกในใจตรงนี้ได้ชัดเจน นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคิดว่าหลายคนนะได้สัมผัสนะซึ่งเราก็ <c oughs> แก้ปัญหานะด้วยการที่อาจจะไปพูดคุยหาเพื่อนฝูงนะหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆขึ้นมานะเพื่อที่จะไม่ให้เราตกจมหรือหมกมุ่นนะอยู่กับความรู้สึกเหล่านี้พระท่านสังเกตว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ย เป็นช่วงที่มีเทศกาลมีงานรื่นเริงมากนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่มนุษย์เราเนี่ยพยายามที่จะหาทางนะแก้ไขปัญหานะที่จะไม่ให้เราต้องไปจมนะหรือไปหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์นะที่ไม่น่าปรารถนานะความเหงาความว้าเวยความโดดเดี่ยวเดียวดายนะอันนี้เป็นเราจะสังเกตได้ว่าช่วง ช่วงหน้าหนาวนี่เป็นช่วงเทศกาลมีงานรื่นเริงสนุกสนานนะคนหนุ่มคนสาวก็จะแต่งงานกันช่วงนี้แหละนะก็อาศัยตรงนี้แหละนะที่จะเป็นช่วยทำให้เรามีความอบอุ่นนะในจิตใจขึ้นมานะก็เป็นเหมือนผ้าห่มนะที่จะช่วยคลุมจิตใจให้มีความอบอุ่นขึ้นมาการที่เราอาศัยสังคมอาศัยครอบครัว อาศัยคนอื่ น, นเนี่ยมันก็ให้ความอบอุ่นได้นะเป็นช่วงครั้งช่วคราวนะก็ไม่ได้แน่นอนจริงจังและก็ไม่ได้ตลอดไปนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีนะถ้าเร า, เ, าเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะโดยที่คนอื่นไม่สามารถช่วยเราได้นะก็จำเป็นที่เราจะต้องมาพึ่งตัวเราเองนะมาพ่อหุ่มที่จะกลุมใจให้กับตัวเราเอง ก็อะไรล่ะนะจะเป็นผ่าห่มที่จะคลุมใจของเราความรู้สึกเหงาว้าเวยความโดดเดี่ยวเดียวดายความหงอยเหงานะความขดหูนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าเราไม่มาเรียนรู้มันเราวิ่งหนีมันเราพยายามไปหาสิ่งข้างนอกนา ม, ม า, ากลบเกลื่อนนะเรียกว่ากลบเกลื่อนก็แล้วกันนะ ก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะถ้าเราหันมาเผชิญหน้ากับมันนะตรงๆนะด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะรือสติสัมปชัญญะนะตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้นะความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ได้แลนะถ้าเราหันมาเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะ ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะหายไปนะในใจของเราเนี่ยถ้ามีความรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายความหงอยเหงาว้าวเวยความหดหูซ่ซึมเศร้าอะไรต่างๆก็ตามถ้ามันมาครอบงำจิตใจเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้ตัวเราเผลอนะเราเผลอให้อารมณ์เหล่านี้มาครอบงำจิตใจเพราะนั้นจิตใจมันก็รู้สึกยาเหมือนกับ ไม่เป็นสุขนะเหมือนเป็นความหนาวเหมือนกันนะแต่มันเป็นหนาวใจนะมันไม่ใช่หนาวกายนะแต่เมื่อไดก็ตามนะที่เรามีสติมีความรู้สึกตัวทันกับความรู้สึกเหล่านี้นะสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นตัวคลี่คลายนะเป็นตัวสลายนะความรู้สึกเหล่านี้ออกไปนะก็ทำให้เกิดความอบอุ่นในจิตใจขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง เรนะเรียกว่าเป็นการกู้นะความเป็นปกติของใจนะคืนมานะทำให้เรามีความอบอุ่นใจเพราะนั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยนะเป็นเหมือนผ้าห่มที่คลุมใจให้มีความอบอุ่นนะซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเราเองเพราะนั้นะ <c oughs> ที่เรามาอยู่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะเราได้มีโอกาสมาฝึกเจริญสติ นะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องคุ้มครองเป็นเครื่องป้องกันเป็นผ่าห่มคลุมใจให้อบอุ่นนะไม่ต้องไปอาศัยสิ่งภายนอกมากนะักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้อาศัยสิ่งภายนอกนะครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีคนอื่นก็ดีอันนั้นก็เป็นส่วนที่เราก็ต้องพึ่งอยู่นะในบางครั้งบางคราวบางเวลาบางโอกาสนะอย่างเช่น เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ จ, จะต้องอาศัยมีคนนี้นคนนีนะ้พาเราไปหาหมอบ้างหรือว่าอาจจะดูแลในสิ่งที่เราทาไม่ไดนะ้ตรงนั้นก็ทำให้เกิดความอบอุ่นใจเนื่องจากมีคนอื่นช่วยเหลือนะ่าเรียกว่าเป็นความอบอุ่นที่เกิดจากน้ำจิตน้ำใจเกิดจากมิตรภาพเพราะนั้นการที่มาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม ตรงนี้เนี่ยก็เป็นความอบอุ่นใจอย่างหนึ่งเหมือนกั น, นเดี๋ยวยิ่งยิ่งที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตเรามีกิจวัตรประจำวันร่วมกันมีกิจกรรมมีงานต่างๆร่วมกั น, นตรงนี้ก็ทำให้เรารู้สึกมีความอบอุ่นใจเซ่งก็เป็นสังคมเที่เกื้อกูลให้เกิดความอบอุ่นใจได้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเลยก็คือ สติสัมปชัญญะเนี่ยหรือความรู้สึกตัวเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวการสำคัญนะที่จะเป็นผ้าหม่มคลุมใจนะให้กับเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่หลายคนนะความรู้สึกที่มันกัดกินใจกัดก่อนใจทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะทำให้รู้สึกขาดความอบอุ่นนะตรงนี้มันก็จะช่วยได้ เพราะนั้นการเจริญสติเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะมีคุณค่ามากนะเป็นสิ่งที่จะช่วยนะทำให้เรามีความอบอุ่นในจิตใจได้ทีนี้ในการเจริญสติเนี่ยนะที่เราได้ทำกันมานะตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษานะจนถึงวันนี้นะอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะออกพรรษาแล้วเราก็คิดว่าแต่ละคนแต่ละท่านนะก็คงพอจะจับ วิธีการจับประเด็นได้นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะเป็นประโยชน์นที่เกิดขึ้นแล้วก็ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง, งการที่เรามาเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวเมื่ อ, อช่วงที่แล้วได้มีโอกาสไปภูกเก็ตก็ไปร่วมปฏิบัติธรรมกับชาวภูกเก็ตก็มีบางส่วนบางคน เขาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมายกมือด้วยนั่งหลับตาไม่ได้หรือนะก็บอกได้เหมือนกันนะัหลับตาก็ไดนะ้มันก็เป็นวิธีการนะที่สามารถจะใช้ได้ <c oughs> แต่ว่าการนั่งหลับตาเนี่ยขออย่างเดียวนะอย่าไปนั่งแล้วก็หลับไปเลยหนะลับแบบสงบแบบนิ่งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เรา เ, ออเนิ่นช้านะการเดินทางหรือการเจริญสติของเราจะเนิ่นช้า การนั่งนิ่งๆ่งสงบหลับตาแล้วหลับไปเลยเนี่ยมันก็สบายนะมันไม่ต้องคิดอะไรมันสบายดีแต่ว่าปัญญามันไม่เกิดนะก็เรียกว่าเป็นก็เรียกว่าก้อนหินทับญ้าน ะ, นะามันก็ไม่ตายหรอกนะแต่ว่ามันก็เอายังมีอยู่นะก็เหมือนกับเราไปนั่งหลับตานิ่งนสงบไม่รับรู้อะไร เราก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาเห็ น, นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่มันแสดงตัวออกมาตรงนี้มันทำให้ไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวก็ดีและแม้แต่หลับตาก็ดีนะการหลับตาเนี่ยถ้าเราหลับแล้วไม่นิ่งนะคำว่าไม่นิ่งในที่นี้หมายถึงว่าหลับแล้วตื่นรู้รู้ในอารมณ์รู้ในความคิด รู้ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นานที่เกิดขึ้นภายในใจของเราแล้วเห็นมันจริงๆเห็นมันตรงๆเห็นอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช้ความคิดเป็นการระลึกรู้หรือสัมผัสรู้ตรงนั้นจะทำให้เกิดปัญญานทำให้รู้รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดสิ่งที่เมื่อเรารู้เท่าทันตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ตกจม ไปในอารมณ์ต่างๆไปในความนึกคิดต่างๆ <_ d ood le> เราก็จะมากลายเป็นผู้ดูเราไม่เข้าไปเป็นกับมันแม้แต่ความเหงาความว้าวเวความสุขความสนุกสนานสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ก่อนเมื่อเราไม่ได้ฝึกหรือเราไม่ได้สังเกตเราก็จะตกจมอยู่ไปกับสิ่งเหล่านี้ดีใจบ้างเสียใจบ้าง พอใจบ้างไม่พอใจบ้างสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างนาชีวิตก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เรามาเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็เป็นเพีงเยงแต่ผู้ดูอารมณ์ต่างๆนั้นก็เหมือนดังสายน้ำไหลที่มันไหลแล้วก็แล้วไปไหลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปน้า น, น้ำมันจะไหลของมันไปตลอดกระแสของอารมณ์ก็เช่นเดียวกัน เราไม่ตกจมไปอยู่ในกระแสอารมณ์เราเป็นเพียงผู้ดูอยู่บนฝั่งมองเห็นสายน้ําที่ผ่านไปดูเป็นธรรมดานใจเราก็เป็นปกตินไม่สุขไม่ทุกข์มีปกตินที่จะรู้แล้วก็พร้อมนที่จะทาหน้าที่กิจการงานต่างๆคนที่มาเจริญสติแล้วไม่ได้หมายความว่าจะละทิ้งหน้าที่ งานการที่รับผิดชอบนะไม่ว่าทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมประจำก็ตามกิจกรรมส่วนตัวก็ตามกิจกรรมส่วนรวมก็ตามนะก็จะมีความพร้อมนะที่จะช่วยหรือจะทำในสิ่งเหล่านี้เพรา ะ, ะนั้นคนที่เจริญสติแล้วก็จะไม่ได้ทิ้งโลกไปนะเขาก็ยังไปเผชิญกับโลกแต่ทำด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสติด้วยปัญญาไม่ได้ทาด้วยอารมณ์ ไม่ได้ทาด้วยความพอใจหรือมากความไม่พอใจแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกันนะไม่ได้แยกว่าเอาประโยชน์ตนมาก่อนนแล้วประโยชน์ส่วนรวมทีหลังหรือเอาประโยชน์ส่วนลมก่อนแล้วมาประโยชน์ตนทีหลังนะก็ดูความพอเหมาะพอดนะีที่จะเกิดขึ้นนะจากการที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะในสังคมในโลกปัจจุบัน ประเทศไทยเราก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะโดยเฉพาะในทุกวันนี้นะเรามีการแบ่งแยกนะแบ่งสีแบ่งอะไรต่างๆกันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทะาำให้เกิดความแตกแยกรนะและเกิดการ <c oughs> ทำร้ายกันนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดนะปรุงแต่งต่าง ๆ, ๆนะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดจากการที่เราขาดนะในการเจริญสติการมาเรียนรู้เรื่องจิตใจของเรานั่นเองนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความโกลาหลเกิดความทุกขนะ์ขึ้นในสังคมนะไม่ว่าจะเป็นในที่ไหนๆก็ตามนะถ้าตาบดคนไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะมันจะทำให้เกิดความทุกข์ภายในตัวเองและมันก็จะแผ่ขยายไปสู่สังคม โดยรอบนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพอจะสังเกตเห็นได้นะทีนี้ในการเจริญสติเนี่ยนะก็เคยมีหลายคนนะก็บอกว่าก็ตั้งใจทํานะแต่บางทีทําไปทํา ไ, ไปซ้ำซ้ำซากๆมันเบื่อเบื่อก็เลยทิ้งเลยนะไม่ทําเลยจริงๆอาการเบื่อเนี่ยนะมันก็เป็นธรรมดานะเราทําอะไรซ้ําๆำซากๆมันก็เบื่อแต่ว่า <c oughs> เราไม่ต้องไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ในอารมณ์ของความเบื่อความง่วงเหงาเหานอนเป็นธรรมดาอันนี้เป็นเหมือนคู่ซ้อมนะถ้าเป็นเหมือนนักมวยเนี่ยเหมือนคู่ซ้อมนะเป็นอารมณ์ที่จะให้เราซ้อมเป็นอารมณ์เบื้องต้นเลยสําหรับคนที่ ป, ปฏิบัติอย่าว่าแต่คนใหม่เลยคนเก่าก็เป็นแล้วบางคนคิดว่าทําแล้วมันจะไม่ง่วงนะมันก็ง่วงอีกแหละมันก็เบื่ออีกแหละ แต่เราก็ทำํำนะเรียกว่าฝืนทํามันไปนะจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ผ่านความเบื่อได้ผ่านความง่วงได้ถ้าเราผ่านความง่วงได้เนี่มันจะมีอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือความตื่นแลนะ้มันจะตื่นขึ้นมาโอโ้โลกมันสดใสขึ้นความเบื่อเราก็ต้องผ่านได้เหมือนกันนะมันก็จะเกิดความเพียรความพยายามนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็น เป็นอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นตลอดหรอกนะมันเป็นบางครัง้งบางขณะเท่านั้นเองนะหรือบางคนเนี่ยทำแล้วมันฟุ้งซ่านนะคิดว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วต้องเงียบเงียบสงบไม่คิดอะไรนะอันนั้นก็คือเราไปคิดเอาที่ไปได้ยินได้ฟังมานะจริงๆแล้วเนี่ยเราฝึกเนี่ยเราจะเจออารมณ์เหล่านี้ความฟุ้งซ่านก็ให้รู้มันนะหลวงพ่อเทียนเคยพูดว่า ยิ่งคิดมากยิ่งดีเอ่ยคำนิ้มก็แปลกนะเพราะอะไรยิ่งคิดมากเราก็ยิ่งรู้มากนะรู้ทันความคิดถ้าไม่มีความคิดเลยเนี่ยสติหรือความรู้สึกตัวมันจะไม่ชัดยิ่งคิดมากยิ่งดีนะทานว่าแต่เราไม่ได้ไปเจตนาที่จะคิดนะความคิดมันก็มีเป็นธรรมดาของมันที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะผ่านไปเพียงแต่เราไม่รู้สึกกังวลกับมัน ถือว่าเป็นธรรมดาที่เขาจะเกิดขึ้นมาให้เราเรียนรู้เราเรียนรู้แล้วเราก็ผ่านนะกลับมารู้สึกตัวใจเป็นปกตินะตรงเนี้ยเป็นจิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาของเราเป็นความอบอุ่นที่มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะฮอยู่ทุกเวลานาทีนาแต่ที่มันไม่อบอุ่นไม่ปกติเพราะเราเผลอนะเราไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้รู้ทันและอย่าไปยอมแพ้มันอย่าไปยอมจำนนการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือให้เรารเผชิญกับอารมณ์เผชิญกับความคิดปรุงแต่งแล้วหาทางหน้าที่จะรู้เท่าทันมันไม่ตกไปอยู่ในอารมณ์ไม่ตกไปอยู่ในความคิดปรุงแต่งเหล่านั้น เพราะนั้นคนที่ทําบ่อยๆอันนี้ต้องอาศัยทําบ่อยๆเมื่อวานได้ยินท่านตู่มาพูดว่าเออต้องทําบ่อยๆไอเ น, นี้ยสาคัญทํำบ่อยๆมันจะได้เกิดนิสัยเกิดนิสัยที่จะเป็นนิสัยอย่างความรู้สึกตัวนั่นเองทําบ่อยๆทําเรื่อยๆทําแล้วทําอีกเห็นแล้วเห็นอีกมันไม่ได้เห็นครั้งเดียวแล้วจบไปเลยนะเพราะฉะนั้นมันเห็นแล้วเห็นอีกอ่ะเห็นจนชํานาญเ่ย จะรู้เล่เหลี่ยมของความคิดความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันมีสารพัดนะก็เรียกว่ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมันมาในรูปแบบต่างๆกันบางทีเราทำไปเราดีใจว่าเราเห็นความคิดแล้วนะตรงความดีใจนั่น่ะมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเผลอไม่รู้ทันอีกนะจากที่เราไม่เคยเห็นความคิดเลยเรามาเห็นความคิดเราดีใจที่เราเห็นความคิด ไอ้ความดีใจก็ทําให้เราพัดหลงไปจากความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้นะก็ต้องแยกคายนะในการที่เราจ ะ, ะพิจารณาในการที่เราจ ะ, จะเจริญสตนะิในการที่เราจะดูทุกแง่ทุกมุมเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาปัญญาก็ยึ่งบอกว่ารอบรู้ในกองสังขารคําว่าสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งทุกรูปแบบที่มันแสดงตัวออกมา ตรงนี้เราจะได้รู้เท่าทันมั น, นแล้วสมาธิก็คือจิตใจที่เราตั้งมัน่นที่เราจะทำต่อเนื่องกันไปศีลก็คือปกตินั่นเองเพราะนั้นการเจริญสติก็ประกอบไปด้วยทั้งสีลสมาธิปัญญาไปพร้อมกั น, นไม่ต้องไปแบ่งว่าเออเดี๋ยวไปรักษาศินก่อนเนาะเดี๋ยวไปถือศินกินเจก่อนนะเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวอยไปทำสมาธิเนาะ แล้วก็ไปพิจารณาใช้ปัญญาอันไม่ต้องเลยเราทําตรงเนี้ยอย่างเดียวเนี่ยเป็นศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมกันไปเลยนะวันก่อนก็มีพระใหม่รูปนึงมาถามว่าเอ๊ะมีวิธีการอื่นไหมที่มันเร็วกว่านี้บอกนี่แหละเร็วที่สุดแล้วนะเร็วที่สุดแล้วตรงๆลัดๆตรงๆเลยนะก็คือการเจริญสติตรงเข้าไปานะที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรม กายก็คือการเคลื่อนไหวของกายนี้เองนะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆนะความปวดความเมื่อยนะอาการของกายที่มันแสดงออกมานะรู้ระลึกรู้ตรงนี้ดูเข้าไปตรงนี้เวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์นะความรู้สึกพอใจไม่พอใจความโดดเดี่ยวเดียวด้ความอ้างว้างความหงอยเหงาความสุขสนุกสนาน นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ระลึกรู้ให้ทันนะไม่จะไปตกจมอยู่ในกับสิ่งเหล่านี้นะในส่วนของจิตก็คือความคิดปรุงแต่งนั่นแหละที่มันออกมาในหลายรูปแบบดูมันก็ไปตรงเนี้ยระลึกก็ไปตรงเนี้ยทำก็ไปตรงเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกเห็นแล้วเห็นอีกนะตรงเนี้ยมันจะเป็นทําให้เรามีปัญญานะที่จะออกจากความทุกข์ได้ นะความทุกข์เนี่ยการปล่อยวางก็ดีการออกจากความทุกข์ก็ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากการนึกคิดเอาหรือการอ่านหนังสือก็ไม่ช่วยให้เราออกทุกข์ได้จริงเพียงแต่ว่า <c oughs> มันเป็นแผนที่นะที่เราจะเดินทางไปแต่ถ้าเรายังไม่เดินทางนะมันก็เป็นการออกทุกข์โดยการนึกคิดเอาซึ่งตรงนี้ก็ไม่เป็นความจริง นะเป็นสิ่งสมมุติเป็นสิ่งที่เราคาดคะเนหรือนะึกคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องเดินทางเราต้องทำลงไปเราจเจริญสติลงไปในกายในใจของเรานี่แหละกายใจของเราเนี่ยเป็นตำราเล่มใหญ่นะที่เราจะเปิดอ่านอยู่ทุกเวลานาทีเขาแสดงธรรมะแสดงความจริงให้ปรากฏให้เราเห็น อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพียงแต่ว่าเราจะเหลียวมาดูแอบดูชำเลืองดูหรือไม่หรือว่าเราจะใช้ใจไปสนใจสิ่งอื่นๆข้างนอกนะแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาเพ่งอยู่เฉพาะภายในเท่านั้นนะเราก็ดูทั้งข้างนอกดูทั้งข้างในนะวันก่อนก็มีโยมมาถามว่า ทำไมทำครั้งนี้นะมันง่วงมันหนักกว่าคราวที่แล้วมาคราวที่แล้วนี่ยังรู้สึกสบายขึ้นก็ให้สังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเราเพ่งเข้าไปข้างในมากเราตั้งใจเกินไปหรือเปล่าแนะตรงนี้เราก็ต้องปรับสมดุลให้มันพอเหมาะพอดีดูข้างในดูข้างนอกให้มันพอเหมาะพอดีนะเหมือนที่หลวงพ่อคําเขียนเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่ท่านอภัยปฏิบัติธรรม นะที่จังหวัดเลยนะท่านอยู่ในห้องหนะลวงพ่อเทียนก็ไปเคาะประตนะูก็ไปถามว่าทรอะไรอยู่หลวงพ่อคำเขียนก็บอกว่าปฏิบัติธรรมเจริญสติอยู่หนะลวงพ่อคำเขียนก็ตอบหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนอยู่ข้างนอกก็ถามหลวงพ่อคำเขียนว่าเห็นข้างนอกไหมหนะลวงพ่อคำเขียนบอกไม่เห็นนะเห็นข้างในไหม ข้างในก็เห็นอยู่ในห้องหนเห็นทํายังไงเจนข้างนอกนะหลวงพ่อทมเขียงก็บอกต้องเปิดประตูออกมาแล้วก็เปิดประตูออกมาหลวงพ่อเทียนก็ไปยืนอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ท่านบอกว่าให้เห็นทางข้างนอกและเห็นทางข้างในนะนะอย่าไปเห็นแต่ข้างในอย่างเดียวหรือจะไปเห็นแต่ข้างนอกอย่างเดียวนะตรงนี้ก็คือการปรับจิตปรับใจของเราเราไปเพ่งข้างในมากๆนะบางทีมันก็แน่นมันก็ง่วงมันก็หนัก เราก็ปล่อยอารมณ์ออกไปบ้างนะข้างนอกบ้างพอปล่อยไปข้างนอกมันฟุ้งสั้นเอาก็ดึงกข้ามาข้างในบ้างอันนี้มันก็เป็นศิลปะนะของการที่เราจะปรับนะความสมดุลให้มันพอเหมาะพอดนะีไม่ให้เพ่งไปข้างในมากหรือข้างนอกมากนะนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสังเกตร่างกายเนี่ยเขาจะบอกนะว่า <c oughs> มันเกินไปแล้วมันหนักไปแล้วนะเราก็ต้องผ่อนคลายนะนี้ก็ต้องอาศัยความ แยกคายใช้สติใช้ปัญญาพอสมควรนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์นะที่ตัวกระบุมเทมาเองได้พบนะแล้วก็พยายามแก้ไขนะได้บ้างไม่ได้บ้างนะล้มลุกคุกคานสำเร็จบ้างนะก็มีนะนี่ก็ถือว่านำนำเสนอนะแบ่งปันกันเพราะนั้น การที่เราได้มาเจริญสติเนี่ยนะก็เป็นเหมือนกับการที่เราถักทอผ้าห่มนะคลุมใจให้มีความอบอุ่นแนะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับจิตใจนะด้วยการที่เราทําด้วยตัวเราเองสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่มีใครจะทำให้เราไดนะ้นอกจากตัวเราเองนะก็อยากจะขออนุโมทนานะใน ความเพียรพยายามของทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันเจริญสติอยู่ที่วัดป่าสุขโตนะก็ขอให้ความเพียรพยายามการเจริญสติของทุกท่านนั้นนะได้ประสบผลสำเร็จนะก็คือสามารถที่จะออกจากความทุกขนะ์ความหนาวเหน็บในจิตใจให้มีจิตใจที่อบอุน่นะมีสติสัมปชัญญะสติปัญญาคุ้มครองนะจิตใจ